ยกมือใสหัวแล้วก็ทำบุญทีนี้มือซ้ายวางบนตักมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงๆหลับตาเบาๆปิดหูใส่ขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างแล้วนั่งดูบุญนั่งทำบุญหลวงปู่มาให้ทำบุญบอกให้ทำบุญบุญอยู่ที่ลม พระพุทธเจ้าได้ตัดตรูปเพราะพระพุทธเจ้าดูลมเราก็ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอากาดูอย่างอื่น อืมทุกมือแตงหัวแล้ป่า ได้ยินหนูมั่งพิธีกรรมเรียบง่ายนะพิธีทําบุญเรียบง่ายแต่หนพิธีทําทานยากให้เข้าใจพระพุทธเจ้าได้ดตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าให้ฆราวาสญาติโยมทําอะไรฆราวาสผู้คลองเรือนนะ่ะพระพุทธเจ้าสอนฆราวาสผู้คลองเรือน พอได้ตัดตะลุเราก็เดินลงมามาเจอมานพพ่อฆ่าอะไรต่ออะไรนั่นเจอเราก็ขอขึ้นพระธรรมไตากับพระพุทธเจ้ามาเห็นทูเจ้ารัตถมีสวยงามอัศจรรย์ขึ้นประศรีษานะพระพุทธเจ้าก็ให้มีพระไตชนาคมยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะสารณะ พวกเราส่วนมากที่รับศีลกพทท็พุทธทางธรรมังสร้างครังบุตริณติพุทธทางธรรมังสร้างครังยึบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตน ะ, ะไรผู้เจ้าให้สอนมีพระรัตนะใจก็ทานศีลบุญทำทานนี่สิ่งของศีลก็คือมีจิตใจให้เป็นปกติมีความเสะดวกสบายไม่อย่างห้าข้อไม่ฆ่าเขาไม่กโกงหอกใคร ไม่ไปขโมยของใครไม่ประพฤติผิดภรรยาสามีของคนอื่นลูกของคนอื่นไม่โกหกปกลมไม่ดื่มเครื่องดองของมึนเมาถ้ามีนี่มนุษย์จะทำนั่นทำของมนุษย์ถ้ามีคุณธร ร, รมแล้วเวลาเสียชีวิตแล้วก็ไปพ้นจากอบัยภูมิมนุษย์โลกเทวโลกภมโลกถ้าไม่มีคุณธรรมนี่กับอบัยภูมิทั้งสี่เป็นที่หลังไรเป็นยบร่ากายสัตว์ไรสานคน คนกับคนทุกคนยากทีนี้ส่วนมากเราขาดการทําบุญเพราะว่าถ่ายทอดออกมาถ่ายทอดออกมานานไปนานไปก็เสื่อมไปเสื่อมไปคําว่าทําบุญก็เลยหมดไปก็เลยมาเน้นแต่เรื่องอามิตปุชานเห็นไหมข้าน้าโพชนาอาหารถ้าทานเป็นก็ได้บุญถ้าทานไม่เป็นได้บาปนี่มันเยอะเกินไปพระสงฆ์ลาบากนั่น ที่นี่ข่านิยมเนี่ยลต่คนเราทำค่านิยมเขาพาทำบุญเขาพาทำบุญหว่าเขพูดไปที่หนี่งทำบุญหมดไปแล้วใช่ไหมพระทำบุญจุดนี่จะไปทิ้งคำรับพระเจ้าประสงค์กุลิยาไปทิ้งให้ญาติโยมบอกว่าจะญาติโยมทำบุญไม่นั้นโยมลืมเอาแต่พูดแต่ว่าเอาของไปวัดทำบุญเอาของไปวัดทำบุญนั่นก็เลยไปทางเดียวกันจะะถ้าทำเป็นได้บุญทำมากเกินไปมันได้บาปมันลาบากพระสงฆ์ผลออกมาถ้าให้ยทำเป็นน่ะ แต่อาหารพอเห็นอาหารในบาทของพระสงฆ์พอแล้วนีมนุ์หลวงปู่กับวัดนั่นถูกต้องถ้าขนใส่อย่างนี้พระก็เกิดที่เหลีสินานเข้าดานเข้าเอีว้ยเอาไปกระเซียดลายของเอาใครจะมาเมาเอา ม, มีข่าวว่าเดินในลานค่าเล็ก ๆ, ๆน้อยๆไปบูชาออกเศษ บ, บาของพระสงฆ์ก็มีนะเพราะมันถูกเห็นไหมนี่ถ้ารองงานมาเห็นหลวงปู่ท่าได้นี่ทุกวันทุกวันหลวงปู่ ผมจะมาบูชาเอาจะให้คนอื่นกินนะ <c oughs> เล่นไหมล่ะเห็นไหมพระเกิดที่เลสสิถ้าพระเกิดที่เลสเออมาบูชาเอานะสิบาทยี่ิบาทก็แล้วแต่เหลือจากฉันทานแล้วฉันทานฉันหมดแล้วสันอิ่มแล้วคุณเอาไปนั่นให้พระหมดที่เลถ้ามีสติปัญญาตอนนี้พระเจ้าพระดรงหลวง ป, ปู่มีการทําอะไรบ้างก่อสร้างอะไรบ้างมีความประสงค์อะไรบ้างจากญาติโยมจะช่วยนั่นเห็นไหมล่ะ ไม่ใช่เอาอของนี้ไปซื้อไม่ได้นั่นนี่ถ้ามีปัญญานะไม่ใช่พระเทศเอาเด้ยอมแปวไม่ใช่พระเทศเอานะอยู่ในซองนั่นที่โยมกุโยมพอชอบพระก็ชอบเหมือนกันแต่ชอบเพื่อเอาไปปฏิสังขรณ์นั่นหากตกประฟ้องสิ่งหนึ่งอันใดอันสมควรแจกสมณะบริโภคต้องเอาอันนั้นไปถวายเพื่ะสมควร ต้องรู้จับประวัติพระอีกทีด้วยนะไม่ใช่ว่าพระเอาไปซื้อยากนุ่นซื้ออย่างนี้นอกจากหลักหลักศีลหลักธรรมที่บำรุงพระศาสนาที่เราเดนข่าวอยู่่าพระเอาไปแจกใจให้ยาติพี่น้องนุ่นนุ่นในนี่ไปซื้อบัตรซื้อเบอร์ซื้ออะไรก็แล้วแต่นุ่นไปเลยไปผิดหลักธรรมยี่ในพระสงฆ์ทําไม่พระสงฆ์เราทบาปอีกแล้วหรือที่จับจับจับพระสงฆ์เฉพาะอะไรล่ะเพราะพระสงฆ์เอาจะตุปัจจัยจากญาติโยมไปลงทุนทํำนุ่นทํานี่ แก่ใจให้อะไรออกไปลังบินเข่าเยอะแยะอยู่นั่นเพราะฉะนั้นเรื่องการทำทานนี่ต้องรู้จักเหตุผลทำเขาเป็นประโยชน์ยังไงทำให้พระลำบา ก, กยังไงหลวงปู่จึงว่าทำทานจะได้ทำทานได้บุญทำทานได้บาปแย่งกันแย่งกันนี่นี่เราข้างเดียวนี่มาแย่งเดียวกันแต่ไม่ถูกทางอีกด้วยบางคนใส่หน้าดักหน้าดักหลังโอ้บอกว่าให้เป็นแถวเป็นแถวนั่น จะทำตะเป็นบุญที่สุดก็ใส่ข้าวนิดหน่อยอนี่ไม่อะไขนใส่หมดขนใส่หมดหรือธาตัวเล็กนิดน้อยผมผ้าไม่เป็นร่องให้แล้วนะเห็นไหมการเทศการเข้าพรรษาบวชเล็กบวชน้อยพระเล็กน้อยน้อยมาบวชใหม่ๆหม่ขนอะไรต่ออะไรใส่ให้ผ้าหลุดรุยไปหมดเด้วบางช่านมึงสบงกี่วันไม่ดีทําให้ะบงหลุดออกจากเลยพระพี่เลี้ยงเลยไปมัด ป้าแต่ บ, บ้องให้ใหม่นวล น, นุ่งแต บ, บ้องให้ใหม่นวลดีอย่างเดียวมีสวรรคที่วันคุมไว้นิดหน่อยเท่านั้นคำพูดก็ว่าไปทําบุญแต่บาย ท, ทำบุญสบาย ท, ทำไมพระเน้นลําบากกพราว่าทําบุญทําบุญเหมื่อเมื่อกี้สบายไหมสุกอื่นยิ่งกลัวความสงบไม่มีทําทานททาาาาับร่งกยนเท่าไหร่ให้มากเท่าไหร่กินเท่าไหร่รักษาเท่าไหร่เราก็ตรวจได้ปุ่นจี้ใช่ไหมมีความแก่มีความเจ็ บ, ม, ม, จบมีความตายเป็นธรรมดานั่น ขางขันร่างกายไม่แท่ของเราเกินแล้วแก่เจ็บตายจิตใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงย่ำไม่ออกกลมได้ดวงอยู่นี่ใจไม่ป่วยถ้ใจแข็งแข็งแล้วโรคไฟให้เจ็บก็หายไปเอง <c oughs> ถ้ากรรมมากที่สุดมันก็เหลือไม่เหลือบากโกแรงแล้วก็ปล่อยไปตามบุญของกรรมที่กรรมมุนาวัตติโลโกะัตโลกเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นแเกดดมีกรรมเป็นพูดติดตามหรือว่าอดไไม่จริงก็พูดเรื่องกรรมถึงการกระทํา ที่นี้คนไมีไปยุ่งแต่ห่วงเต็มของบุตรของเนอกของแก่ของเก็บของตายคือกายของคุณพ่อคุณแม่ตัวของเราคือใจธาตุลูกเห็นไหมใจตายไม่เป็นถ้าดูได้รู้ได้เห็นแล้วได้สุคติเห็นอะไรเห็นสวรรค์ดูบุญดูใจเห็นใจเห็นใจก็เห็นสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้หอหาสวรรค์นนะไม่ให้หาขุดหานรกนะ หาที่ใจสวรรค์นในอกนรกในใจส่วนมากเราไม่ได้ทำบุญผลไม่รู้ว่าใจของเร า, าเป็นยังไงใจสปปกปรกถ้าไม่มีสมาธิภาวนาใจอยู่ในนรกใจตกนรกร่ำรวยสวยงาม น, น, นั่นละโลกของใจนะค่าตัวร่ารวยค่าสวยงามก็หมดแล้วหมดโลกจากใจแล้วมิตรชื่อเรียกว่านามธรรมาคือใจโลกมันทำคือร่างกายก่อนนี่ ของคุณพ่อคุณแม่นามาทาคือใจเอาทิศดูดีๆนั่นะวิธีคำบุญทานศีลบุญเนือในวันศีลวันพระไม่มีแต่พระพุทธเจ้าหาศีลหาธรรมมาสอนคนเราเป็นคนไหมทาไมไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหลวงปู่นี่ทำมีโครงการให้เยาวชนเข้ามารักษาศีลอยู่นี่คิดว่าจะไม่มีคิดเล่น แต่พี่ลูกหลานมาสองสามคนทีแรกพอนะ่งหลังจากนั้นหลวงปู่ก็ได้ไปอังกฤษกลับมาเราบอกว่าเกือบร้อยเราหลวงปู่ว่างันนะแล้วพอหลวงปู่มาที่เราขึ้นร้อยขึ้นเมื่อวานเชิญก่อนมานี่ก็มาสมัครอีกถือสินแปดตลอดเรียนจบไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะในภาษานะเรียนแปดวันไสวันแปดเพราะว่า เอาไปโรงเรียนมันจะได้ลําบากหรือหลวงปู่รักษาถิ่ยังไงอาจารย์เขาไม่ห้ามเหลยเราถามเขาอาจารย์ <c oughs> เขาดูที่แล้วก็ถามพวกที่เขาไปบวชแล้วเขาว่ า, างไงล่ะ <c oughs> เขาเบื่อตรงไหน <c oughs> เขาหิวตรงไหนเขาเมื่อยตรงไหนเขาไม่พอใจจเลยม่ตอบกว่าเมื่อไหร่จะถึงบรรพามิจะอยากถึงันรรพามันไห ม, มเขามาแล้วบรรสบายใจแล้วก็พระพี่เลี้ยงหลวงปู่หลวงพ่อที่ให้หลวงพ่อให้ดูแลหน่อยนะพวกนี่รับสมัครเขาจางน้อยนี่ชอบใจ ในใครมีคิดจะเห็นว่าอย่างนี้ผมทอบไกลมากผมปู่ได้สอนเด็กตัว น, น, น่ะนะที่สอนเด็กหมายก็ว่าร้อยคนต้องได้สิบคนนะอย่างน้อยจบเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์นะแ้่เป็นสอนคนอื่นอีกนั่นมีอันนี้งสงต่อไปมากไหมล่ะแต่เรื่องพพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลวงปู่ใหญ่นะฝากคุณนิติเอาไว้เพื่อให้บำรุงพุทธศาสนานั่นเดี๋ยวนี้ยังอยู่สองร้อยกว่าหนึ่งกี่จะึงพัน ถ้าถึงพันล้านหลวงปู่ให้เอามาเอาดอกมาใช้ถ้ายังไม่ถึงไม่ให้เอาดอกมาใช้นี่เพราะฉะนั้นหลวงปู่คิดเห็นจุดนี้แหละ <c oughs> เพื่อบำรุงรักษาสอนคนเท่าคนแจกสอนยากกสอนเด็กก็สอนง่ายอีกด้วยนะนั่นนี่ไหมเขาไม่มีใครว่าผมเบื่อผมเมือยผมเหนื่อยผมโน่นนี่เพียรไม่ได้ทานข้าวจากนู่นนี่ไม่เห็นเขาว่าอะไรล่ะ ความบริสุทธิ์ของใจประพัดสลังคิดต่างธรรมชาติใจของเรามันใสสะอาดถ้าเราไม่คิดไปกไ็ไม่ผิดศีลอาหารเราก็อยากจะทานกลัวมันจะหิวก็ไปทานตอนห้าโมงก็ได้ทั้งเดียวเรื่องข้ออื่นถ้าเป็นเรื่องเพศตรงกันข้ามก็เราไปถูกต้องกันโดยไม่มีราคะตัณหาไม่มีความกำหนัดย้อมใจไปถูกเล่นจีราเล่นการนงานทำอะไรก็เป็นตามหน้าที่ ท้าว่าผิดศีลก็คือมีความเจตนาที่จิตใจมีความรักจึงผิดถ้าไม่ธรรมาดาเราทำการทำงานสูตรเรียนเขียนอ่านไปก็ถูกไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนี่แหละจิตใจอยากให้ภากันทำบุญมเมื่อคืนนี้อรุณีก็นั่งเห็นว่าตีสองตีสามถึงลับมาทำบุญหลวงปู่ ม, มาแล้วก็ไปนั่งเะ นั่นแหละทำบุญเห็นไหมง่ายไหมไม่ได้ซื้อสักบาทน้องพูดกันดล้วดูทสินี่เห็นไหมทำทานี่เห็นไหมนี่ยุ่งไหมนี่นั่นคนเราชอบยุ่งเข้าใจไหมถ้าเรามีปัญญาก็เข้าตัวนี้ทำไปเถอะไม่ได้ซื้อสักบาทถ้าได้ซื้อหลวงปู่ไม่บอกหรอกนี่ถ้าโยมซื้อที่ถบายหลวงปู่หลวงปู่จะตั้งชื่อว่าวัดรักษาใจที่ไหนมีแต่วัดรักษากายแต่อเอารักษาใจนะ คนเราไม่รักษาใจรักษาแต่กายใจไม่แต่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นอาหารรักษาใจยารักษาใจคือลมไม่ได้ซื้อเสียด้วยะถ้าเห็นใจก็ถ้าเห็นลมก็เห็นใจใช่ไหมถ้าไม่มีลมใจกคนนี้แล้วง่ายไหมล่ะแต่ทําไมไม่ดูเราดูทําไมสังขารร่างกายเราว่าเลยมัอนี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเลยนี่ผมมีขนมีเล็บอาหารใหม่อาหารเก่าน้ํามูดน้ำโคดน้าอะไรปลา ถ้าเราเข้าสมาธิเหนื่อยออกมาถอนออกมาเวลาเราออกมาธรมรมดามาดูตัวนี้เกิดปัญญาแล้วนั่นคำว่าภาวนามันจะเกิดปัญญาตราคิดถึงแปลว่าภาวนามีความรอบรูปโล ก, กวิถีพระพุทธเจ้าคือผู้รูปแก้งโลกนั่นทำใจของเราให้เป็นพระพุทธเจ้าให้รูปแก้งโลกลองดูสิพระพุทธเจ้าจึงสอนพระพุทธสูตรบอกว่าเราจะ่ฐานก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ในใจของพวกท่านพวกเธอทุกท่านทุกรูป พระธรรมวินัยเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายพระสงฆ์ร้องห่มเองให้ที่ผู้เจ้าประชุมกันที่ผู้เจ้าจะคงสังขารละสังขารไปปรินิพานพระสงฆ์ที่ยังบวชใหม่แล้วไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วใครจะสอนไปช่วยเจ้าพระพุเจ้าได้บอกว่าพระธรรมวินัยเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายนั่นมจากไมพระธรรมวินยัยยำยำคัลวะเจ้าโ ย, ยมศีล น, นั่นแหละนั่ น, นพระสงฆ์สองร้อยิบเจ็ดของโยมห้าข้อ ก็ยังรักษาไม่ได้อยู่ยผมค้าขายผมจะรักษาถินได้ค้าขายก็ทําตามหน้าที่เราทําตามหน้าที่ซื้อบานหนึ่งบาทจะไปขายหนึ่งบาทนั่นก็ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เราพูดตามความจริงไม่ได้โกหกที่ว่าโกหกก็คือตั้ง อ, อกตั้งใจโกหกเห็นไหมเขาโกหกกันแต่โกหกพวกร้านทําอาหารฉันจะซื้ออาหารด้วยนะห้าหมืน่นหรือสี่หมืนม่นบ้นนึ่งหมื่นหัวหมื่นหั เอาตลอดปีชีวิตด้วยนะนั่นเห็นไหมแจ้งโกหกหรอเวลาเขาทําเสร็จแล้วผู้ที่ตั้งหกตั้งใจว่าจะทําให้เขาไปหาตรงทุนหาสิ่งหาของมาทําอาหารให้จะทําเสร็จแล้วหาว่าอาหารไม่ดีหรือไม่ถูกเวลาหาแกล้งกันนะนั่นเห็นไหมนั่นเราแจ้งกันโกหกกันหนะลอกลวงปิ้นป้อนนะนนที่นี้ผ่ผู้เชื่อผู้เ ช, ชื่อก็เชื่อก็เพราะอะไรไม่มีบรรดาเขาพูดอะไรเชื่อเชื่อนั่นเห็นไหม พระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระสงฆ์พระพุเจ้าไม่เชื่อสําหรับตำราไม่เชื่อได้ยินแต่ข่าวเลาลือมาไม่ให้เชื่อที่เขาพาทำมาในเชื่ออะไรให้เช่เหตุผลที่ถูกต้องหนึ่งถูกต้องสองถูกใจนี่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง พ, น, พนามโภชนอาหารเยอะๆนะเอาเหตุผลมาดูจะถูกไหมที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้พระสิริงสงฆ์บิณฑบาตไม่ให้รับอาหารเกินขอปากบาสนะนั่น นี่ที่ี่นุญาตให้ใส่กระเพาะมีคนไทยเทเฉยๆถ้าหลักเหตุผลถูกต้องจริงๆก็คือเอาพอฉันอย่างที่พูดนั่นแหะถ้าพอฉันนี่มโนหลวงปู่กับวัดนั่นถูกต้องไม่ใช่วันนี้มโนหลวงปู่ปวดปวดปวด ป, ด, ปดอะไรก็ปวดไปมาพระเกิดกิเลสยุ้งยากน่ะอล้ว <c oughs> ปวดไปกิเลสมันขึ้นตัวขี้หัวใจเห็นไหมล่ะถ้าเอาพอดีพอ ง, งามญาติโยมก็ช่วยพระสงฆขากกิเลสเข้าใจไหม ถ้าอันนี้แปลว่าเพิ่มที่เลสเนพระนะถ้าพระไม่รู้เท่านั้นแ่ละอย่างที่พูดหลวงปู่พูดนะบิดาบาสขายอยากให้เน้หนห่ักภาคคาบุญจะได้มีสมาธิจะได้มีเกิดปัญญาเตรียมตัวก่อนไปเรามาด้วยบุญเราต้องอยู่ด้วยบุญแล้วก็กลับบ้านเก่าด้วยบุญถ้ามารวยบุญอยู่ไรบาปเข้าใจไหมบาปเป็นยังไงจรือรักโลกนี่แหละตัวใหญ่บาปมาจากไหน โลภมาจากไหนรักมาจากไหนถ้าไม่มีสมาธิไปแก้ไขไม่รู้หรอกโลภเป็นบาปไม่รู้หรอกว่าสวยงามเป็นบาปต้องเข้าสมาธินั่นดูจึงจะรู้ว่าร่ำรวยเป็นบาปสวยงามเป็นบาปอยากให้จะเน่นหนักนั่งไปเถอะไม่ได้ซื้อก่อนรับก่อนนอนวันละหนึ่งครัง้งเตือนไว้ย้ำไว้แล้วเห็นไหย เพื่อเวลาเราแผ่เมตตาพระเจ้าประสง์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แผ่เมตตาเราก็จะได้รับบุญกุศลถ้าให้ทําศักดิ์สิทธิ์จะได้รับอะไรเหมือนฝนปรยลงมาเทวดาให้ฝน ล, ลงมาใครมีปัญญาเอาองค์ไปลองรับก็ได้น้ําถ้าไม่มีปัญญาปล่อยฝนไหลทิ่มไหลทิ่งไหลทิ่งไม่มีเครื่องลองรับพัาชนะทองรองรับก็คือเราทําสมาธิหรือคือเราทําบุญถ้าเราทําบุญอยู่ทรงบุญมากก็ได้รับบุญถ้าเราไม่ทําบุญทําบาปทรงมากก็ ไม่ไม่มีใครรับแล้เดินพระเจ้าประสงคกุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แผ่บุญมาให้เราไปจะไปทำบาสนั่นจึงจ่ำได้ย่ำเบียดข้าทำหนึ่งนาทียังดีอยู่เพราะพระเจ้าประสงค์พูดสิทธิ์ทั้งหลายนั้นแผ่อยู่ตลอดทุกเวลานาทีอยู่ด้วยการแผ่เมตตานะใจของผู้มีคุณธรรมล้วก็จะไปทำนิดหน่อยทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดนั่นเอนไหมละ่ะพยามาร น, นั่นอย า, า, ากรู้จักเกเรตนะตัวที่ว่าทำไม่ได้นั่นแหลเกเลตอ่ะ ถ้าเรามีปัญญาสิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะด้วยอำนาจดุลกุศลนอกตนในโยมเลือกหลานอาสนะรัตนาหลวงปู่หลวงพ่อได้มาแผลตีบ้านที่ช่องตีสวนที่ไหนก็ดีก็เป็นบุญกุศลไปปฏิบัินิบาตก็เป็นบุญกุศลโดยเฉพาะได้นั่งสมาธิเจริญเมตตาฟังธรรมคาสัง่งสอนของ พ, พระพุทธเจ้าแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำดํำแล่านี้ คุณกุศของคุณพระพุทธเจ้าคุณประทมคุณประสงค์ศีกษิต่างหลายในสากลโลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักหลักสาวคนได้ชมลูกหลานญาติพี่น้องต้องมีแต่ความสุขคนเจริญสุข ก, ก, กายสุขใจหายจากทุกโศกโรคภัยการงานถึงใดการเ ง, นงินถึงใดปัจจันาถึงหนึ่งอะไรก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเพราะในดักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จงมีตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจงมีดวงจิตดวงใจ จะเห็นมักเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี่เถิน